เวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลาสี่สิบนาทีปรากฏแล้วสำหรับตอนนี้ก็ข อ, อยุติวัตเกียงต่ น, นี้หวังว่าบรรดาเพื่อนสาวรำนิผู้ขบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาคงจะจำถ้อยคำที่ปฏิญาณ ต, ตนว้ว่านิพพานะสะสะชัชกิริยายะเอตังกาสาวังไเตตวเรื่องแปลเป็นใจความว่าเราจะทำให้แจ้งสิ่งพนเรารับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทาให้แจ้งสิ่งพันิพานได้ เมื่อจำได้แล้วก็คงไม่ทำความชั่วขึ้นเชื่อความชั่วที่พระวินัยห้ามทุกอย่างจงอย่าทำถ้าขืนทำผมเห็นเข้ารู้สึกและไม่รู้ว่าท่านตั้งใจฝ่าฝืนนี่ผมพูดแล้วนะหาว่าใครทาผมจะถือว่าท่านตั้งใจคัดค้านฝ่าฝืนคำสั่งของผม แล้วก็ท่านฝ่าฝืนคําสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าในเมื่อท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วผมเตือนแล้วทำไม่ฟังอีกท่านกับผมก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องขับออกไปจากศาสนาะถานที่แล้วก็จะไม่มีกําหนดอุทธรณีกาใดๆขับเมื่อไรต้องไปบัดนั้นทันทีนี่ระเบียบนี้ให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอยุติจเพีธรรมนี้ ขอความดีที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วจนถึงกัท่านซาธรรมิกะเพื่อนที่รักทุกท่านในปัจจุบันนี้เถอสวัสดีสำหรับวันนี้ ก, ก็มาพูดกันต่อเรื่องโภชนะปริสังยุตในบทเสกีวัตรคำว่าโพชนะปริสังยุตก็ได้กล่าวมาแล้วแต่วันนี้ว่า พระพุทธเจ้าทรงปรารภเกี่ยวกับการฉันอาหารนี่เมื่อวานนี้ได้จบลงมาถึงมาตราหรือว่าข้อที่ยี่สิบสอง 22. วันนี้ก็ขอต่อข้อที่ยี่ิบสามเมื่อข้อที่ยี่ิบสามเราจะพึงศึกษาว่าจาักไม่ฉันแลปลิ้นนี่เป็นจริยาของพระจะลืมให้ดี ว่าพระเราเวลาจะใช้ข้าวโดยอย่าแลบลิ้นความจริงกิริยาที่แลบลิ้นนี่ก็ดูเหมือนว่าเด็กๆเขาก็หาว่าเลวเต็มทีแล้วถามว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ถือว่ามีมรน ญ, ญาติไปสมควรถ้าเป็นพระอันนี้ผมถือว่าหมดความเป็นพระเพาพระคือเป็นเขาแปลว่าผู้ประเสริฐ คนที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ทําแบบนี้พระมีในหนึ่งเรียกว่าสวนะรรค์แปลว่าผู้ระงับดอว่ารลอยบาปลอยความเลวไปเส็จแล้วในการที่แบลบริงริงข้าวนี่ดูท่าทางมันจะไม่สวยนักในบริการหนึ่งระเขาอีกอันในหนึ่ ง, รนนงพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสาร นี่การกระทําความไม่ดีทําลายศรัทธาขมันดาท่านพุทธบริษัท ต, ตอนนี้จะเรียกว่าผู้เห็นภัยในทุกสารไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าเป็นผู้ไม่เห็นภัยในทุกสารเพราะว่ากิริยาที่ไม่ดีเราเป็นผู้ชนิยบุคคลถ้าไปทําเข้าเจ้าบ้านเขาก็จะติเตียนถ้าชาวบ้านตีเตียงก็จะกลายเปว่าสร้างโทษให้เกิดขึ้นกับเชาวบ้านนี่เมื่อเราเองถูกติเตียน ความเศร้าหมองใจมันก็เกิดขึ้นถ้าความโกรธมีขึ้นเราจะเป็นผู้ประเสริฐได้ยังไงเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้สงบระงับที่เรียกคําว่าสมณะให้ผู้มีบาปมันลอยแล้วได้ยังไงเพราะความโกรธมันเป็นบาปและถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารได้ยังไง เพราะว่าการเห็นภัยในทงสารนั้นเขาจะต้องปฏิบัติแต่เฉพาะขอบเขตของความดีนี่แลบปลิ้นปลิ้นตายกินข้าวนี่มันชั่วมันเลวสามอันนี้งจงอย่าทำก็เพราะว่าถ้าทำแล้วเป็นอาบัติทุกกฎขอ้อที่ยี่บสี่เราจะไม่ฉันดังจับจับจับจับนี่เพราะว่ามาเจ็บพระออกหมู หมูไม่กินดังจับจับจับจั บ, จบแล้วก็หมูนี่มันเป็นสัตวิเดรัจานถ้าเราเอาแบบฉบับขอสัตวิเดรฉานมาใช้ก็เป็นอันว่เราไม่เฉ่พระเราก็เป็นสัตว์เดรัจานมันเป็นกิริยาที่ชาวบเขาตําหนิอย่าทําเลยนะครับโทษมากเหลือเกินขอ้อที่ยี่ิบห้าเราจักไม่ฉันดังสู ด, สด อันนี้เวลาฉันเคยสังเกตมั้งไหมเวลาคนก็กินข้าวจะ ก, กินข้าวต้มดูดเข้าไปดูดลงเข้าไปดังสูดสูดสูดนี่เรื่องไม่ดีข้อที่ยี่สบหกเราจะไม่ฉันเรียมือในเวลาที่ฉันสมัยก่อนนั้นเขาใช้มือเปิบความจริงเมื่อสมัยผมบวชใหม่ๆพระก็ยังใช้ฉันก็โดยมือไม่กันยังไม่มีช้อน ช้อนมีก็มีไว้สำหรับตักแกงและตักกับถ้ากับข้าวบางชนิกที่ใช้มือหยิบได้ที่ไมืสกรปรกยังผักดิบนี้ก็ใช้กับแล้วก็จิ้มแต่อย่างไหนที่มันจะสกระปรกถ้ามือถือหยิบลงไปแล้วไอ้ข้าวในมือและมือเลอะเทอะมันจะเปืเป้อนเป็นที่รังเกียจก็ใช้ช้อนตักวเวลานั้นเราใช้มือกัน ในเวลาที่ใช้มือฉันนี่ทำมือมันแห้งแทนที่เราจะจุ่มน้ําก็กลายเป็นเลียมืออาการของการเลียนี่คนนี่เขาไม่เลียกันนะไอ้ที่เลียนี่น่ากลัวมันจะเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานนี่พระพุทธเจ้า ก, ก็เกรงว่าพระของท่านจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เลยไม่แนะนำปราจงอย่าเลียมือ นี่ถ้เราฉันเรียมือก็จงนึกว่าเรานี่ไม่ใหญ่คนเสียแล้วจะกล่าวว่าเป็นพระนั่นไมสมควรแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็ยังเป็นไม่ได้มันกลายเป็นสัตว์ปิดฉานไปก็ยี่สิบเจ็ดเราจะไม่ฉันขอดบาดนี่เป็นบัญญาติอันหนึ่งเวลาดีเข้าไปฉันข้าวในบ้านทําฉันข้าวขอดบาดก็แสแดงว่าชาวบ้านเขาให้ข้าวไม่พอ ถ้บาบังเอิญชาวบ้านเขาไม่มีข้าวนี่ให้ความเดือดร้อนมันก็จะเกิดข้อนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนมักน้อยหมายความว่ามีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นจะกวนใจชาวบ้านเขาในข้อนี้ก็ควรจะแถมว่าจงอยาดอยากนี่ผมพูดบ่อยๆนะไอ้อยากนี่มันเป็นตันหามันเป็นกิเลสมันเป็นความเลว นี่ก็การฉันการริงการบริโภคจริยาต่างๆนี่ก็รวมทั้งนักปฏิบัติที่เป็นคารวะอยู่ด้วยตามมินในของพระในเดกที่ว่าเป็นส่วนของอภิสมาจารในเตเสขียวัฏนี่คือคารวะที่อยู่ในวัดก็ควรจะมีจริยาตามนั้นทั้งนี้พเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะฉันตามนั้น เนี่ยจะทําแบบนั้นทําแบบไม่ดีเมื่อพระท่านไม่ดีเราก็ไม่ดีไปด้วยเ พ, พระาะอะไรเพราะว่าถ้าพระทําแล้วไม่ดีเราเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานนาิพพานกรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวาจรจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเนลงก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นครวญว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเราเป็นพระคือพระโยคาวาจร ก็ต้องทําไว้แต่ความดีอย่าทําความชั่วในตัวอยากในอยให้มีเกิดขึ้นในสํานักนะดังนั้ไม่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าปล่อยให้มันอยากอยากชั่วจงอย่าอยากก็อยากดีแล้วก็อยากทําไปเถอะถ้าดีก็ต้องดีอยู่ในขอบเขตของสิ่งของธรรมอย่าเล็กว่าดีแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันชั่วมันดี อยากเร็วแต่เข้าใจว่าดีอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปนิจริยาแบบนี้เขาสอนกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆข้อดีย่ยีย่สิแปดท่านบอกว่าเราจักไม่ฉันเรียริมพิปบัติเลียลินพิปากกันแลบเริ้นแรบเรื่อมันยาวกว่าเราลิงเข้ามาเรียรินพิปาก ก็ลงเลึกเอากแล้วกันว่ามันเป็นอะไรไม่ก็ไม่ตาในกับแลบลิ้นมันสวยไหมท่าลงนั่งส่องกระจกดูตลองเคี้ยวอะไรก็เลียลิมที่ปากไปลิ้มที่ปากมันแห้งเลียมันจะได้หายแห้งนี่พระในท่านห้ามทําเด็ดขาดแด้ข้อดีดีก้าวเราจับแมวมือเปื่อนจากภาชนะน้ํานี่สําคัญมาก เคยเห็นพระผู้เท่าแม้ความจริงคนแก่น่นาจะเป็นคนดีนะแต่เคยเห็นมันแล้วมันไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่อยู่ในสำนักของเราด้วยความจริงพระที่อยู่ในสำนักของผมไม่เคยมีพระเสียแต่คำว่าพระนี่ไม่มีเสียถ้าพระต้องดีถ้าเสียก็ไม่ใช่พระ ไอ้ฝันมือเพื่อ น, นเนี่ยไปจับคันน้ําจับแก้วน้ําจับอะไรตัวอะไรมันไม่เหม็งข้าวมันสกปรกแล้วใครที่ไหนลรอเวลาเขาจะดื่มมั่งมันก็เหม็งข้าวสมัยก่อนเคยเจอพระแก่ๆมุมมาเวลาจะกินข้าวเขาใช้ช้อนกันกบมือจ้วงลงปัดเวลาจ้วงลงไปก็จับเอาอาหารขึ้นมามากๆนี่กิน เดยวตะกระในการกินไม่ใช่โฟชนเนมตัญยุตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสําหรับการบริโภคอาหารนี่ให้อยู่ในโฟชนเนมตัญยุตาคือรู้จักประมาณในการกินอาหารไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปดังนั้พระประเภทนี้ที่ผมเห็นมากลายเป็นโฟชนเนมตัญยุตากระมุมมามซุ่มซาำตะกระในการกินข้าว เวลาจะหยิบอาหารก็มือจ้วงลงไปในกลางไม่ได้ดูละ ว, ว่าใครเนี่ยเขาจะงเก็บบ้างเจตยาเช่นนี้มันดีหรือมันเร็วไม่รู้ตัวถ้าเพียงแค่นี้ไม่รู้ตัวแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นพระได้ยังไงความเร็วทางกายเนี่ยมันเป็นความเร็วอยาบไปกายถ้าจะทําทใจมิขกทํามันดยเพราะใจมันสั่งมันจึงเร็ว อันนี้ถ้าหากว่าเรามือที่เพื้อนไปจับภาชนะที่ใส่น้ำถึงแม้ว่าจะเป็นคนเราเองก็ตามพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามขอท่าหนหลายโปรดทราบว่าสิคขาบทแต่ละสิกขาบทถ้าท่านละเมิดสแสดงว่าท่านคัดคายคำสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้สนแสดงว่าท่านไม่ใช่พระ ไม่ได้อยู่ในขอบเขตพระพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ตัวก็สิกไปเสียถ้ายังไม่สิกแล้วก็ขอเข้ามาโทษต่อสง์ประกาศความชั่วการที่ประกาศความชั่วนีนเราทํากันทํากรรมต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่เจ้านั้นใครไปทําชั่วอะไรต่างคุณก็ตามประกาศไม่ใช่มานัดพร้อมๆกันบอกนัดกันบอกเราจะประกาศอย่างไรบ้างอันนี้ไม่ได้ กะบราการจะพาะตัวอย่างที่ทำมาแล้วนั้นถูกอย่างนี้ความชั่วมันจะยับยั้งอยู่ก็ไม่ลามต่อไปแล้วเราก็สร้างความดีหนีความชั่วเรามันพอแก้ไขได้แล้อย่าประหมาเทเข้าใจว่าเราเป็นผู้ดีเราดีแล้วอีกรายการหนึ่งการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่าถือเอาโสเป็นของสำคัญถือว่าจึ่นเกิดก่อนเธอ แต่เกิดจิตหลังฉันฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยอายุแต่คนแก่นี่มันไม่แน่นักถ้าแก่ดีแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่แตงแก่น้ําเต้านี่มันไม่เป็นเรื่องแก่ฟักแก่แฟงนี่ข้างในมันเป็นโครงไอ้แก่แตงแก่น้ําเต้าก็ไม่กันแก่แตงแก่นาข้าวใส่มันกล้มแก่น้ําเต้าเนื้อไม่แข็งกินไม่ไหวข้างในเป็นโครง นี่ถ้าเราอยากแก่แล้วก็ต้องแก่ความดีแก่การสํารวมคือปฏิบัติอยู่ในบธรรมบินัยไม่ใช่เยาวนั่งถือความแก่ของอายุเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือความแก่ของอายุเป็นสําคัญถือความแก่ของความดีเป็นสําคัญถ้าเราแก่ดีเราอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนสนรเสริญถ้าเราแก่ชั่วยอยู่ที่ไหนเอาก็เอาดีไม่ได้เหมือนกันถ้าเราอยู่ในเขตของพระเราก็ไม่เป็นพระ ถ้าไม่เป็นพระจะบอกว่าเป็นคนเลือไม่ใช่หรอกมันไม่ค้างอยู่แค่คนมันลงไปในรนรกระวงังจอกลืมมาสิขาบทเล็กน้อยก็เป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นทาหารผิดบินในเล็กน้อยเขาก็สั่งขังถ้าเป็นข้าราชการผิดบินในก็สั่งตัดเงินเดือนสั่งลงโทษถ้าผิดบินในมากนะักเขาก็ไล่ไปเสียเขาไม่ยอมให้อยู่ นี่เราเป็นพระต้องเป็นผู้ดีไม่ใช่ผู้เลวนี่ในขาบทที่สามสิบเราจะไม่เอาน้ําล้างบาตรที่มีมเมล็ดข้าวเทลงไปในบ้านนี่เป็นอันว่าขอ้อนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไม่ให้ทําลายศรัทธาบัณฑาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าถ้าเราเามาเล็ดข้าวเทลงไปในบ้านนี่มันจะสร้างความสะท้อนใจให้เกิดแก่บรณฑาท่านพุทธบริษัท หาว่าพระนี่รุมร่ามเกินไปถ้เาเรื่องเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ว่ากันมาถึงสามสิบสี่ขาบทจงกําหนดจำํำมาให้ดีถ้าว่าท่านดีบวดเก่าๆท่านบอกว่าไม่รู้นี่ผมจะสลดใจอย่างยิ่งถาหว่าท่านบอกว่าท่านไม่รู้ท่านเมิดม า, มากๆแล้วท่านจะนึกว่าท่านเป็นพระได้ยังไง ความจริงพวกเรานี่บวชเข้ามาเพื่อหวังพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าหาว่าบวชเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าพระนิพพานเขาปฏิบัติอย่างไหนอันนี้ก็น่าเสียดายอย่างยิ่งเพระอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องทีถ้าเราไม่รู้ว่ากขาวินัยไปอยังไงการปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานเรามีวินยัยครบถ้วนนี่เราก็ยังเข้านิพพานไม่ได้ อย่างดีที่สุดเราถึงสวรรค์เท่านั้นแล้วก็ยังไปพรมไม่ได้ด้วยสิ่งที่จะช่วยให้เราไปพนิพพานและพรมมันมี อ, อีกคือสมาธิจิตวิปัสสนาญาณพระพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องมีกฎสามประการคบรบถ้วนคือหนึ่งอธิสินสิกขาอาิสินสิกขาก็แสดงว่าเราไม่บกพร่องในพระวินยัย นี่เรียกว่าที่ศีลอาศิขาวินัยก็คือศีลอาทิจิตอาศิขาเราต้องทำชาสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิศิขาต้องพิจารณาขันห้าจงไม่หลงในขันห้าให้รู้จักว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางและก็มีการสลายตัวในที่สุด เราไม่เมาในขันห้าไม่เมาในรูปไม่เมาในเสียงไม่เมาในกลิ่นไม่เมาในรสไม่เมาในการสัมผัสไม่มีลมมั่วสูมอยู่ในการมะคุณนี่เรื่องใช้ข้าวไม่เกี่ยวในรถตอนเรามาเจาวางังอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนดีถ้าเาึกว่าดีตายแล้วลงนรก แต่ความจริงคนที่ละเมิดพระวินัย น, นี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีวิปัิสานเดือดร้อนตลอดเวลาเพราะถูกเข้าว่าถูกขติถูกเข้าเตียงก็หาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราไม่ละเมิดพระวินัยเราก็มีแต่ความสุขหาความเดือดร้อนไม่ได้คําว่าเดือดร้อนสัพพุทธศาสนาเรียกว่าวิปัิสานนี่เรื่องของอาหารก็ขอผ่านไปเพราะมันจบแค่นี้ นี่ต่อไปเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตมีอยู่สิบหกสิกขาบทคําว่าปฏิสังยุติแปลว่าประกอบเข้าเคื่อที่เรื่องเกี่ยวกับแ ส, งสงแดงแสดงว่าธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว้อหนึ่งพิสุพึงทําความศึกษาว่าเราจะไม่สแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่มีร่มในมือ จะไม่ดีก็แล้วกันถ้าเขามีร่มในมือถ้าเขาไม่เป็นไข้จงอยาสแสดงธรรมแสดงว่าเขาไม่เคารพในธรรมในการสแสดงธรรมเนี่เราจะสแสดงเด็กคนที่มีความเคารพในธรรมเท่านั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันคนที่ไม่เคารพในธรรมพระองค์ไม่ทรงโปรดแล้วก็จะหยัดยม่าเป็นนั่งเทศแลกสตังคิดว่าจะเอาเทศน์นี่เป็นแลกเงิน เดิมเคยที่มีชาว บ, บ้านเคยพูดในฟังว่าพระบางองค์เห็นชาว บ, บ้านเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบูชากันเทศประชาธรรมก็เลยบอกแกชาว บ, บ้านเขาบอกว่าจะเอามาทําไมไอ้ดอกไม้ทูบเทียนน่ะมันเปลืองเงินเปลือ ง, งทองเปล่าๆไม่มีประโยชน์ยิ่หลังหาเสต็องมาม า, มากๆดีกว่าอย่างนี้คันไม่ใช่แสดงพระธรรมเทศนาให้เป็นธรรมทานแค่เรื่าขายเทศ ในข่าวนี้มาก่อสมัยเป็นนักเทศเคยได้ยินบ่อยๆอยอยแมงทีไปเทศเขาถามว่าถ้าพวกผมมันดอกไม้ทุบเทียนบูชานี่ไหมมีอานิสงส์ไหมถามว่าบูชาอะไรก็บอกูชาธรรมเลตเตอรเขาบอกว่าถ้าบูชาธรรมก็ถึงพระพุทธเจ้าด้วยถึงบระสง์ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เป็นมาจากพระธรรมเพราะปฏิบัติพระธรรมจรึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ เพะสงสลงหลายที่จะเป็นประสงค์ได้ก็อาศัยฟังทำใจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามแล้วการบูชาธรรมะจึงชื่อว่าบูชาทั้งพระธรรมและพระพุทธและพระสงฆ์ด้วยพร้อมกันเขาถามว่ามีอา น, นิสงส์หรือเขาบอกว่ามีคนเราถ้าเข้าถึงธรรมได้อย่างเดียวความทุกข์ไม่มีท่านในชาติปัจจุบันและสัมบราญากรเนี่ยก็มีชาว บ, บ้านแถวเรานั่นเราบอกให้ฟัง เราเคยมีพระบางองค์เห็นแล้วของบูชาบูชามากๆท่านบอกเอาสตังบูชาทำดีกว่ายัางได้บอกว่าพระคณะนั้นคนละคณะกล่าวมาอมาจารยครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนมาแบบนั้นแต่ใครพอใจในการบูชาธรรมแบบไหนก็มีผลแม้แต่องค์สมเด็จพระทศพันก็ทรงสรรเสริญว่ามิสบูชาให้ผลในการมาวาจรสวรรค์ นึกว่าเรายึดสวรรค์ไม่ได้จุดหนึ่งถ้าปฏิบัติบูชาเราจะได้สวรรค์ด้วยได้พุมมันโลกด้วยได้พระนิพพานด้วยก็เลยเป็นที่พอใจขมุมมันดาท่าพุทธบริษัทนี่เขาบรรดาท่านทั้งหลายเวลาที่ใครเขน็นมนลประเทศก็อย่าเอานี้ไสเปรตทั้งหลายเหล่านี้ไปพูดกับเขาและทําใจให้สบายเวลาที่เราจะเทศจงอย่านนึกถึงเงินนึกอย่างเดียวว่าเรามาเอาบุญ เพื่อเราให้ทำเป็นทานนี่ได้บุญตบบาลีมีว่าสัพทานนางธรรมทานังคินาติผู้ใดทำเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงนี่ขอท่านละทั้งหลายจงคำนึงให้มากนี่มาสิกขาบทที่สองเราจักไม่สแสดงธรรมกับคนที่มีไม้พลองในมือ เขาถือไม้แต่กดดูไม่ครองมันจำมาให้ดีก็ง่ายๆ่ายก็ดีสามเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่มีสัตราในมือข้อที่สีไอส้สตรานี่ก็หมายถึงอาวุธต้นไม้นะ่ะนี่มีดถ้าตราก็มีดหอกแหลนเหลาขอ้อที่สีเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่มีอาวุธในมือก็นี่แหละสัตรา ไม่ปลองอาวุธมันก็ยี่ห้อเดียวกันแต่ในสมัยนั้นท่นอาจจะแยกกันออกไปผมก็ขอรวมไปเลยว่าสิ่งที่ประหัดประหารได้ที่มีอยู่ในมือทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่ตำรวจหรือทหารนักลบรึเป่าใช่ไหมตำรวจทหารนักรบนีเขาต้องมีอาวุธในมือท่านบอกว่าเทิดได้เพราะพวกนี้เขาวางอาวุธบรรดาเพ่เตรียมพร้อมในการรบ นี่ข้อดีห้าเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่สวมเขียงเท้าคือเกีย้ยถ้าสวมเกีย้ยอยู่เราไม่ไม่สแสดงธรรมข้อดีหกเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่สวมรองเท้านี่สาหรั บ, บรองเท้านี่ก็เป็นนักรบเหมือนกันนักรบเขาต้องแต่งตัวครบท้วนเขาต้องติดอาวุธเขาต้องสวมรองเท้าพื่อพร้อมรบเราสแสดงธรรมได้มีข้อยกเว้นข้อดีเจ็ดเราจะไม่สแสดงธรรม ไปในยานภานะเพื่อขณะที่นั่งอยู่ในยานภานะนั่งเกวียนนั่งรถนางอะไรไม่เทศไม่สแสดงธรรมท่านหมาอย่างนั้นครับคนที่ไม่เป็นไข้นะแต่คนที่เป็นไข่แล้วไม่เป็นไรอันที่มูดนทั้งหมดเป็นมายถึคนไม่เป็นไข่ข้อดีแปดเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข่ที่นอนอยู่นี่ดาว่าเขาเป็นไข่ล้น เพศได้คนไข้่ในมันที่มันนั่งไม่ถนัดก็ดีห้าเก้าเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ขณะที่นั่งรัดเขา่านั่งกอดเขา่าเพราะเป็นการไม่เคารพก็ดีสิบเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้ที่กําลังพันชีสระเสื้อผ้าโค้หัวที่ใส่หมกก็ยี่ห้อเดียวกัน ข้อที่สิบเอ็ดเราจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่นใน่ายเดียวภาคลุมศีรษะนี่จะไปนั่งไปจบนะเขาจะเป็นในพันในพนในหมื่นในแสนนายก็ตามถ้ามันผิดนี่นัยอย่าไปตามใจเขาข้อที่ริบสองเราจะไม่สแสดงธรรมเพื่อเราขอโทษเรานั่งอยู่บนแผ่นดินจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไปไม่เป็น่ายนั่งอยู่บนอาสนะเพื่อสูงกว่า เขาเป็นไข้ไม่เป็นไรอย่างพระพุทธเจ้าทรงเยี่ยมพระอัสชิพระอสชิป่วยหนักจะใกล้จะนิพพานให้พระไปตามพระพุทธเจ้ามาปฏิมนมาเพรามาแล้วท่านย่าลุกจากแค่ที่นั่งที่นอนอยู่พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องอัสชิเธอนอนตามสมบายเราจะนั่งในอาสนะที่พระจัดไว้จะต่ำกว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรม นี่หมายความพาะสัชิตท่านป่วยแล้วท่านเป็นอรหันต์ก็ฟังธรรมเหมือนกันนี่พระเรานี่ท่าว่าไปท่านงองตนมาฉันเป็นพระไม่ฟังธรรมแลม้วมาปฏิบัติธรรมมันก็เร็วเต็มทีข้อทีอ่สิสามเรานั่งบนอัศนะต่ำจกไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้นั่งบนอัศนะสูงนี่ตัางําไม่ดีนะว่าถ้าเขาเป็นไข่เราทาได้ ข้อที่สิบสี่เรายืนอยู่จะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข้นั่งอยู่ข้อที่สิบห้าเราเดินไปข้างหลังจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข่ผู้เดินไปข้างหน้าข้อที่สิบหกเราเดินไปนอกทางจะไม่สแสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข่ผู้ไปในทาง<ม>ข้อที่สิบเจ็ดมีหรือเปล่าอา้าวมันไม่มีจบกันทั้ที ขอนี้ก็เป็นอนุวัตเป็นการเข้าใจง่ายง่ไม่มีอะไรมากเพราะว่าท่านพูดไวชัดชัดก็ไม่น่าจะมีอะไรสงสัยข้อที่ทิฏเจตไม่มีกระจบจบเทศนาปริสังยุตต้อ น, นี้มาเรื่องปากิน ก, กะมีเล็กๆในน้อยมีอยู่สามข้อด้วยกันปากิน ก, กะนี่ก็แปลว่ามีเล็กๆนน้อยมีสามข้อ เพื่อนหนึ่งพิสุทั้งความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข่จักไม่ยืนถ่ายโอจาระและปัสสาวะอย่างนี้ก็เห็นจะฟังไม่ยากพอรู้จักกันข้อสองเราไม่เป็นไข่จักไม่ถ่ายโอจาระปัสสาวะบนเขละคือน้าลายลงในของเขียวนี่จำให้ดีดินะจะไม่ดีของเขียวนะไอ้ต้นไม้ต้นหญ้าเราจะมีสีเขียว แล้วย่างนี้ก็จำไม่ได้ ว, ว่าอกิริยาขาดถุยมันใช้ไม่ได้คือไม่ลงของเขียวลงของแห้งก็าตามลงน้ํำในน้ําก็ตามขาดถุยนะิยาให้มันมีขึ้นนี่ไม่ใช่กิริยาของพระมันเป็นกิจริยาของเปรตเฮเปรตผมก็ไปเห็นขาดถุยนี่อาการสำรักแบบนี้ไม่สมควร ข้อที่สามเราจะเราไม่เป็นใข่จกไม่ถ่ายอุจาระและถ่ายปัสสาวะแล้วเบื่อเขินละลงในน้ำไม่ระวังนี่ว่าการพวกขี้ๆเยอะๆอะมาเริงเราจะไม่เป็นใข้ามายืนถ่ายอุจาระและปัสสาวะอันนี้ผมก็จะขอบอกว่าเว้นไม่แต่ว่าห้องถ่ายปัสสาวะที่เขาทาไม่เพื่อยืน ไอ้ที่ยืนในที่นี้มันจะไปยืนอันอยู่กลางแจ้งคนสวยไหมแล้วก็เรื่องเราเราไม่เป็นไข่จะไม่ถ่ายออจาระปัสสาวะและบน่นสเลดจำลายลงในของเขียวนี่จําให้ดีย้ํานะเฮ้ยสามเราไม่เป็นไข่จะไม่ถ่ายออจาระปัสสวะบ่น้ําลายลงในน้ํานี่ก็พอจําได้นะไม่อยาก ไอแถวจาระปัสสวะเนี่ผมเคยเห็นพระเราบางที่ส้วมก็มีทต่ไม่หรอกปีที่แล้วมาดีไม่ดีเพราะแอนข้างข้างก็งงงงแพงเฉยๆนี่ด้านหน้ากติภพไปเนี่ยดีไม่ดีเพราะหันบุ้นเขาหน้าข้างรั่วก็เยี่ยวส่งนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันนี่ไม่ใช่พระแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาก็เลวเต็มทีไม่มีฮีริโลต์ตะปะิริยาประเภทที่มันไม่งามด้านจริยาในจงยจะทำ ถ้าปรับเป็นบัตรจะปรับตอนไหนจิตใจเราไม่ใช่พระจริยาไม่ใช่พระเอาพระตรงไหนไม่ใช่นี่ต่อไปพระอธิกรณ์มีสี่อย่างอาธิกรณ์หมายถึงว่าเรื่องที่มันจะเป็นความผิดถ้าทำแบบนี้เป็นความผิดพระไม่ควรทำอันหนึ่งเถียงกันว่าสิยงนั้นเป็นธรรมบัญญินัย สิ่นี้ไม่จะทำไม่จะวินไหนเรียกว่าวิวาธาธิกรอนหมายความวิวาทกันนี่เป็นพระเป็นเนนเลิกเถียงกันเลยดีกว่าพยาปลารบประสาหารือกันให้เป็นไปด้วยดีให้เป็นไปด้วยดีนะไม่พูดกันดีๆแบบประสาหารือกันไม่ใช่มันนั่งเถียงกันไอ้ไอ้เถียงกันนี่ยายผมเห็นแล้วนะ ถ้าผมเห็นสักคราวหนึ่งบางทีผมจะมองดูเฉยๆถ้าเป็นครั้งที่สองแล้วก็นิมนต์ออกจากวัดทันทีไม่เรื่องเถียงกันไม่ช่แล้วก็ปากแตกในการหาเรื่องมาทะเลาะวิวาทการเถียงกันถึงไม่จะเป็นธรรมวินัยเนี่ยธรรมวินัยเนี่ยก็ไม่เถียงกันถ้าเราไม่เข้าใจเสียงไหนแล้วก็ไปถามท่านทูู้ ก็เปิดตําตราขึ้นดูเปตําตราขึ้นดูถ้าไม่แน่ใจเราก็ไปถามท่านบุรุษมันมีที่พอจะถามถ้ายังหาท่านบุรุษไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้มาปรึกษากันว่าไอ้เจอใครที่ท่านมีความเข้าใจบ้างเวลานี้เรามีพระเป็นที่ปรึกษาคือพระอริยเจ้ามีขึ้นแล้วในประเทศไทยดั้งหลายองค์ถ้ายัถามให้ถูก